ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นเีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงอาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออก ในชั้นกายานุปจจนาสติปัฏฐานตั้งสติพิจารณากายสี่ชั้นแล้วและเมื่อถึงชั้นที่สี่นี้จิตกับลมหายใจย่อมรวมกันอยู่พร้อมกับ กายทั้งหมดใจทั้งหมดซึ่งสงบตั้งมัน่นและและเอียดอ่อนจิตได้สัมผัสกับสติและสมาธิอย่างดียิ่งจึงเกิดปีติคือความกิ่มใจก่อนแต่ จะพบกับสติสมาธิดังนี้จิตย่อมกระสับกระสายดิ้นรนไ่อยู่กับอารมณ์ต่างๆซึ่งก่อให้เกิดยินดีบ้างยินร้ายบ้างหลงสยบติดอยู่บ้าง ซึ่งอะไรอะไรในโลกจิตจึงมีลักษณะที่เศร้าหมองประกอบด้วยความอยากความเล่นลนอันทาให้จิตใจแห้งแรงไม่แช่มชื่นแต่เมื่อมาพบกับสติกับสมาธิรวมอยู่กับกายใจทั้งหมดจับลมหายใจจิตได้พบกับความสงบ ความละเอียดอ่อนอาการที่ดิ้นรนที่หิวระหายกระสับกระส่ายก็สงบไปจิตจึงได้ดูดเดิมความสงบความบริสุทธิ์ซึ่งยังไม่เคยพบเมื่อก่อนจึงได้ความดูดเดิมใจอิ่มใจสงบใจ แต่ก่อนนั้นใจยังไม่เคยอิ่มยังกระหายหิวในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นกรมแต่ครั้นสงบได้ด้วยสติสมาธิกายใจลมหายใจรวมกันอยู่ได้ดูดดืม่มความสงบจึงมีความอิ่มใจใจที่หิวราหาย กระบวนกระวายก็หายร่างกายที่ไม่ครบต่างๆก็หายหมดปิติจึงมังเกิดขึ้นเป็นความอิ่มใจซึ่งปิตินี้ท่านแสดงไว้ตั้งแต่อย่างหยาบไปหาอย่างละเอียดยือน้อยไปหามากถือเบื้องต้นก็จะได้ขุธกาปิติปิติอย่าง น้อยอันทำให้น้ำตาไหลขนฉันเมื่อแรงขึ้นก็เป็นคันติกาปิติปิติชั่วขนาดอันทำให้รู้สึกเสียวแปรแปรวบเหมือนอย่างฟ้าแลบยิ่งขึ้นก็เป็นอกันติกาปิติปิติเป็นพั ก, พก ทำให้รู้สึกสู้ส่ามากยิ่งกว่าเสียวแปรปลับเหมือนงเงินเพื่อกนกระทบฟังแรงขึ้นอีกก็เป็นอุเพงคาปีติปีติอย่างโลดโผนทำให้ใจฟูจนถึงบางคราวทำให้เปร่งอุทานขึ้นมา โดยที่ไม่ได้เจตนามาก่อนหรือทำให้กายเบากายลอยกายโลดขึ้นแหละอย่างแรงที่มีอาการดังนี้แต่ไม่ละเอียดที่ยิ่งกว่านั้นก็เป็นปิติอย่างแรงแต่ละเอียดเป็นพรณาปิติปิติที่ทสับสน ไปทั่วจิตใจและร่างกายทั่วสารพางกายเมื่อปิติบังเกิดขึ้นก็ให้ทำความรู้ทั่วถึงปิติที่บังเกิดขึ้นนั้นกำหนดดูให้รู้จักปิติที่บังเกิดขึ้นนั้นในขั้นนี้เป็นอันว่ากายานุปัสนาสิปทาน ซึ่งเต็มขั้นก็เลื่อนขึ้นมาเองเป็นเวทนาหรปศรัศนาสิทธฐานเจติที่พิจารณาเวทนากำหนดเวทนานั้นได้แก่ความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขปีตินี้ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งซึ่งมังเกิดขึ้น แกผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานหรือปฏิบัติสมาธิแม้ในกรรมฐานบทอื่นเมื่อจิตได้สมาธิก็จะได้ปีติมันเกิดขึ้นเองตามขั้นตอนเองพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนให้กำหนดลมให้ใจเข้าออกพร้อมกับ ก ำ, ำหนดเวทนาคือปีติที่บังเกิดขึ้นตามที่เป็นไปจริงอย่างไรเป็นอันว่าตั้งสติกำนดรู้สองอย่างลมหายใจเข้าออกด้วยปีติที่บังเกิดขึ้นด้วยและเมื่อได้ปีติดังนี้ ก็ย่อมจะได้สุขที่สืบเนื่องจากปิติเป็นการได้สุขที่สืบเนื่องกันขึ้นไปเองคือความสบายกายความสบายใจร่างกายก็สบายไม่มีเมื่อยขบเจ็บปวดอะไรหมดกิจใจก็สบายและสงบกายสงบใจประกอบอยู่ในสุข ที่ได้รู้งพุทเจ้าก็ได้ตรัสสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกไปพร้อมกับกำหนดสุขที่มันเกิดขึ้นเป็นอันว่าได้เลื่อนขึ้นสู่ขัน้นเวทนานุปัสสนาสิริปทานตั้งสติกำหนดตามรูตามรู้ ตามเห็นเมตนาขั้นที่หนึ่งคือปีติขั้นที่สองคือสุขซึ่งทั้งปีติทั้งสุขนี่มันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นจริงตามลำดับแในการปฏิบัตินั้นก็ให้ศึกษาสาเนกําหนดว่าเราจักรู้ทั่วถึงปีติให้ใจเข้าให้ใจออก เราจะรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นอันว่าทั้งสองขั้นนี้ก็ให้ศึกษาคือสาเนียงกำหนดว่าจยากรู้ทั้งสองเวทนาขั้นที่หนึ่งก็ให้รู้ทั้งลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกและปีติที่มันเกิดขึ้นตามที่เป็นจริงและเวทนาขั้นที่สองก็ให ศึกษาตําเหล็กําหนดในรูปลมไม่ใจเข้าลมไม่ใจออกพร้อมทั้งศุขที่มันเกิดขึ้นตามเป็นจริงและปีติกับสุขนี้เมื่อมันเกิดขึ้นก็ทําให้จิตใจนี่เพลิดเพลิน อ, อยู่กับปีติเพลิดเพลิน อ, อยู่กับสุขได้เพราะว่าทั้งปีติและทั้งสุขนี้ เป็นสุขเวทนาด้วยกันซึ่งพระพุทธเจ้าตัดเรียกว่าเป็นกิตสังขารเครื่องปรุงกิตคือสัญญาและเวทนาเวทนานั่นมาก่อนสัญญาก็ตามเวทนาตามลำดับในขันธ์ห้าคือเมื่อเวทนาบังเกิดขึ้นเป็นเวทนา ก็จำได้ไม้รู้ในเวทนาก็เป็นสัญญาแต่เรียกเอาสัญญาออกหน้าเป็นสัญญาเวทนาทั้งสองนี้เป็นกิตสังขารดังกล่าวเรื่งปรุงใจคือปรุงกิจใ จ, ใ, จให้ยินดีก็ได้ให้ยินร้ายก็ได้เมื่อเป็นปีติเป็นสุขก็เป็นสุขเวทนาด้วยกัน ก็ปรุงใจให้ยินดีอันทําให้เกิดราคะคือความติดใจยินดีนันทิคือความเพลิดเพลินติดอยู่และทําให้เกิดตัณหาความอยากได้ความต้องการสุขเวทนาแต่ถ้าหากว่าเป็นทุกขเวทนาจิตตรงกันข้ามก็เป็นจิตสังขารตรงใจิตใจให้ยินร้ายไม่ต้องการ ในการปฏิบัติกรรมฐานนี่เมื่อเริ่มปฏิบัติจิตยังไม่ได้สติยังไม่ได้สมาธิย่อมเกิดทุกขเวทนาในการปฏิบัติฉะนั้นทุกขเวทนานี้ยังเป็นกิตติสังขารปรงุงจิตใจให้ยินร้ายทำให้ไม่ชอบไม่อยากทำอยากเลิก เพราะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ในการปฏิบัติเป็นทุกขเวทนาจิตจินครที่จะสลัดกรรมฐ า, านออกอยู่เสมอจิตมักตกออกไปสู่กามคุณอารมณ์อันเป็นที่อาศัยของจิตที่เป็นกามาพรจร อ, อย่างลงในกามปรากฏเป็นอุบอนทั้งหลายมันเกิดขึ้น รุมกุมผิดใจอยู่เป็นอันมากจะงับผิดใจจากนิบอนได้ยากจิดก็อยู่ในยากพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสเปรียบไว้ว่าเหมือนอย่างจับปลาขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนบกปลาก็จะดิ้นลงน้ำเพราะว่าบกไม่ได้เป็นที่อยู่ของปลา ส่วนในน้ำเป็นที่อยู่ของปลาปลาก็จะดิน้นไปหาที่อยู่ของตนคือ น, น้ำจิตที่เป็นกามาพยจจะย่างลงในกาเพอเช่นเดียวกันเมอยกจิตขึ้นมาสู่กรรมฐานซึ่งไม่จะเป็นที่อยู่ของจิตมาแต่ก่อนจิตไม่มีความสุขในกรรมฐานมีความทุกข์ในกรรมฐานเหมือนอย่างปลาที่ วางไว้บนบกมีความทุกข์อยู่ในบนบกไม่มีความสุขอยู่บนบกจิตจึงเด้เรินรนไม่ต้องการที่จะอยู่ในกรรมฐ า, านต้องการอี่จะกลับไปอยู่ในอะไรขคืนน้ำอันใดแก่กรามกุณาร์อันเป็นที่อยู่ของจิตที่เป็นการมาาอระจรไปยังลงในกรรมองศา ม, มันยนทูไปเพราะไม่ได้สุขนั่นเอง แต่ครั้นเมื่อมาได้ปีติได้สุขอันรวมกันเป็นสุขเวทนาจิตก็สบายเมื่อสบายก็ชอบก็ติดใจใครที่อยู่กับปีติและสุขนี้เรื่อยไปไม่อยากที่จะไปไหนอาการที่ติดใจและติดอยู่นี่คืออาการที่เป็นราคะ ติดใจ ย, ยินดีนั่นที่ความเพลิดและอาการที่สยบติดก็เป็นอาการขโมหะคือความหลงทำให้หลงอยู่ในสมาธิคือหลงในปิติสุขในสมาธิติดในปิติสุขสมาธิเราเหตุที่ปิติและสุขเป็นกิตสังขารคือเครื่องปรุงจิตให้ติ ด, ใ ห, ตดให้ยินดีดังนี้พระพุทธเจ้า จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาต่อขึ้นไปอีกว่าให้ศึกษากำหนดสำเนียกว่าเราจะรู้ทั่วถึงจิตสังขารคือให้รู้ทั่วถึงปีติสุขที่กำลังบังเกิดขึ้นอยู่ว่าเป็นจิตสังขารขึ้นปรุงจิตหายใจเขา้าหายใจออก คือให้รู้จักปีติให้รู้จักสุขว่าเป็นจิตตสังขารแคร่งปรุงจิตให้ติดใจให้ยินดีให้รู้จักตามเป็นจริงเพื่อจะได้ไม่ให้ถูกปรุงไม่ให้ติดใจไม่สยบติดอยู่กับปีติกับสุขก็เป็นเมตนานุปัสสนาขั้นที่สามคือให้รู้จักจิต สังขารและยิ่งขึ้นไปกว่านั้นตรัสสอนให้ศึกษาตำเนียกกำหนดอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นที่สีว่าเราจักสงบรำงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตคือปีติสุขให้ใจเข้าให้ใจออกคือในการปฏิบัติ ตั้งสติกำหนดลมไม่ใจเข้าออกให้ปฏิบัติพร้อมกันไปกับตั้งจิตสงบระงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตคือไม่ให้ปีติสุขมาปรุงจิตให้ติดยินดีให้เพลิดเพลินให้ต้องการปล่อยให้ปีติสุขนั้นเป็นไปตามธรรมดาของตนเอง ปีติสุขแม้จะบังเกิดขึ้นอยู่ก็ให้เป็นเรื่องของปีติให้เป็นเรื่องของสุขจิตเพียงแต่รู้ว่านี่ปีตินี่สุขแต่ไม่ยึดไม่ติดในปีติในสุขและให้รู้ว่าปีติสุขก็เป็นสิ่งเกิดดับไปทุกขณะจิตไม่ตั้งอยู่ ย, ยั่งยืนแต่ว่าบังเกิดขึ้นตอเนเรื่องทุกขณะจิต ยังเหมือนอย่างยืดยาวใจความคิงนั้นปิติสุขบังเกิดขึ้นทุกขณะจิตขณะจิตหนึ่งก็ปิติสุขหนึ่งไปพร้อมกันแต่ว่าต่อต่อต่อกันไปโดยรวดเร็วยังเหมือนเป็นอันเดียวกันให้รู้จักว่าปิติสุขเป็นสิ่งที่เกิดดับเพื่อไม่ให้ปิติสุข ปรุงจิตดังกล่าวปีติสุขก็จะไม่ปรุงจิตแต่จะเกิดขึ้น้ะดับไปตามธรรมดาของปีติสุขเองก็ปล่อยให้ปีติสุขเป็นไปไม่ต้องคิดดับปีติไม่ต้องคิดดับสุขให้ปีติสุขเกิดขึ้นนั่นแหละไปตามธรรมดาของปีติสุขเพราะว่าถ้าไม่มีปีติสุข จิตก็เป็นสมาธิไม่ได้เพราะจิตไม่ต้องการอยู่กับความแห้งแล้งจิตต้องการอยู่กับความชุ่มชื่นหรือความสุขตัวปีติสุขนี้จึงเป็นฐานของสมาธิโดยแต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษ้ปล่อยปีติสุขนี้ปรุงจิตให้ติดใจยินดีให้อยากได้ ก็จะทำไม่ลหลงไหลติดอยู่กับปีติสุขเท่านั้นไม่ต้องการจะปฏิบัติให้คืบหน้าไปเหมือนอย่างเข้าหัเข้านั่งพักในห้องเย็นสบายก็เลยนอนหลับสบายไปในห้องเย็นนั้นงานอะไรที่จะต้องทำต่อไปก็เป็นาไม่ได้ทำปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกันจะปล่อยให้จิตสยบติดอยู่กับปีติสุขนั้นไม่ได้แต่จะไม่มีปีติสุขก็ไม่ได้ จะต้องมีปีติสุขหรือต้องมีสุขสมาธิยังจะตั้งอยู่กับความสุขคือความสบายให้มีปีติสุขนั่นแหละตามที่จะมีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ปีติสุขนันรงกิจใจให้ติดให้ยินดีคอยระ ง, งับเสียคือความรู้ตามเป็นจริงลงเป็นสิ่งที่เกิดดับ จะติดเข้าเป็นโทษให้รู้ความเป็นจิงด้วยให้รู้จักโทษด้วยในการที่ติดเปรติสุขให้ปรติสุขปรุงจิตก็เป็นขั้นที่สี่ในเมื่อถึงขั้นที่สี่นี้เปรติสุขก็จะปรุงจิตไม่ได้จิตก็จะเป็นจิตที่ได้สมาธิได้สติได้ลมหายใจเข้าออก ได้ปิติได้สุขประกอบกันอยู่อย่างถูกต้องก็เป็นอันว่าเป็นเวทนานุปัฏนาในขั้นที่สจิตเลื่อนจากขั้นกายานุปัสสนาขึ้นมาเป็นขั้นเวทนานุปัสสนาพระอาจาตรัสสอนให้ศึกษาท้อเนี่ยกําหนดว่าเราจะรู้ทั่วถึงปิติหาใจคข้าหาใจออกเป็นขั้นที่หนึ่งศึกษา รมเด็จนูตว่าเราจะรู้ทูตถึงสุขให้ใจเขาได้ออกเป็นขั้นที่สองศึกษาคือสมเด็จหนูตว่าเราจะรู้ทั่วถึงจิตสังขารเครื่องปรุงจิตคือสัญญาเวท่าคือสุขคือปีติสุขเมื่อเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตปรุงให้ยินดีติดอยู่เมื่อเป็นสุขของเวทานา ให้ยินร้ายมาไปทุกขเวทนามีเป็นขั้นที่สามนมาขั้นที่สี่ก็ศึกษาคือส่วนี้กำหดว่าเราจะให้ใจเข้าใจออกพร้อมจงรู้ทุกถึงการสงบระงับการสังขาเรเคลื่อนปรุงจิตเมื่อสงบระงับจิตสังขารได้สมาธิสติลมไม่ใจเข้าออกปีติสุขก็ประกอบกันอยู่ อย่างถูกศูนญโดยไม่ปรุงกันแต่ว่าสนับสนุนในการปฏิบัติปฏิปฐานปฏิบัติสมาธินี้ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นกายมารสิการในลมหายใจเข้าออกในขั้นนี้ก็แนบแน่นยิ่งขึ้นและพระพุทธเจ้ากวดรัดไว้ว่ากายมารสิการลมหายใจเข้าออกอย่างดี คือการใส่ใจลมหายใจเขาออกไว้เป็นอย่างดีนี่แหละเป็นตัวเวทนานุปัสนาทิประทานอันเป็นผลที่ไดจากการปฏิบัติมาในสี่ขั้นนี้ยังรวมเป็นกายานุปัสนาสี่ขัน้นเวทนานุปัสนาสี่ขัน้นเป็นแปดขัน้นต่อกันขึ้นไปเอง ต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทั้งว่าสมบกสืบต่อไป